ลูกไม่เที่ยงลูกไม่ใช่ตัวตนเป็นอย่างนั้นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งใดไม่ใช่ตัวตนสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกไม่ควรยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นของเราให้ลู้เอาไว้จะเจอจะเห็นอวันหนึ่งในวันใดวันหนึ่งชั่วโมงใดชั่วโมงหนึ่งก็ได้ถ้าเราเจอเราเห็นเราเราก็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 ไมอารมณ์อายตนะทั้งหกตาหูจมูกเล่นกายใจตาก็เห็นรลกที่บัญญัติว่าชอบหูก็ได้ยินเสียงที่บัญญัติว่าชอบพอใจจมูกเล่นกายใจนั่นให้รู้จากดองหน้านี่แค่เป็นสุขอารมณ์ที่ชอบเป็นสุขด้วยก็ได้อย่าหลง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 มันมีได้เป็นได้ในพวกไม่เที่ยงน่าก็รู้ลงหน้าน้านนะ่ะมันไม่เที่ยงพวไม่เที่ยงไปอย่างนั้นจากเราไปแล้วรวมเป็นทุกทรวมเป็นทุกก็มีรวมไม่ใช่ตัวตนก็มีมาเพ้อมกันหมดบอกหมดบอกเที่ยงที่จุดเลย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 ชีวิตของเราเนี่ยมันมีทางแบบมนุษย์เป็นจัดประเสริฐให้เห็นแจ้งหาคำตอบฉเฉลยได้จากพระชิทร ธ, ธาเนี่ยพระชนมายุหนึ่งถึงสิบหกพระชนบรษาเนี่ยพูดราชาสับพูดก็ค่อยถูกนะพูดภาษาบ้านเราก็ตั้งแต่อายุ หนึ่งปีถึงสิบหกปีไม่รู้เรื่องความแจ่ความเจ็บความตายจนอกประภาสตรงกรบิลภาสไปเห็นเรื่องนี้เข้าอยู่ในแต่พระราชาวังหนึ่งปีที่หกปีเนี่ยมีแต่ของดีๆอะไรก็งดงามไปหมดเรืม่มระยุบและย่ำไปหมดผู้นคนก็มีแต่ความช่วยงา ม, ามสนมกับ น, น, นันน เอาออกประาสรนาชะลดกุกภบิรภาสเห็นมันเกิดคนเจ่คนเจ็ บ, ค น, บคนตายเห็นสมณะเนี่ยก็เลยถือว่าเป็นการบ้านยีบดวนหานะคำตอบตรงนี้ทานอื่นไม่เกี่ยวหานะคำตอบตรงนี้ให้ได้จนเห็นสมณะเห็นว่าเป็นทางหนึ่งที่จะต้อง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 มันก็มค่อยจะดวกซอยไก่อนนี่เจ้าลระพิมีฤทธิ์ีพีพายคิดถึงแต่เจ้ารทพีอาจารย์อุตตกาตาบทก็ไปเห็นเหมือนกับว่าลองดูเขาก็ทําอะไรนี่อุตตกาตาบทอาลาดตาบทไปเรียนศึกษาอยู่กับบาอาจารย์อุตตกาตาบท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 คนพ่อนั่นคนแม่นั่นหลวงพ่อองค์นั่นหลวง <c oughs> ชาปนะคือเพ่งเผานะเอาก็เรียกเราชาชาปนะตอนนมันมาจากว่าชาแต่ก่อนคือเผาดอกบดอุตการาบดก็เผางมงม์ชาวสองไม่มีใครสอนเดียนรูดวจนเดงนิ่งได้กดทับไปไม่ให้มะกระดูกกดิก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 ริมก็ไปโตนานด้วยแต่ติที่ไปเสริมตนไม่ใช่จติตั้งแต่ตนนามันเป็นความคมมันเป็นความชัดเจนอันนีเ้เพียงแต่เวียคิธินิโรดนึ่งอันนั้นสงบไปเลยบางคนบางลูกพระบางโลกเป็นหกปีเจ็ดปียืนลักษณะแบบนี้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 ร่อยกรรมมาบากันไปดูเอาเห็นสากโสผู้หญิงสาวสดสดเกิดความปื่นขึ้นมาตัว เ, เจ้าก็ไม่ทมอะไรไโสดดูมันเป็นไงบุรุษก็ต้องมีสติสติก็ต้องมีบุรุษเกิดโค่กันเหมือนพระเจ้าว่าพลังจันโทพลังสุริโย พลังเวลาสมุตทตจัตพัลติกพรลมิติโยอาทิตพจัณร์ฝังการเวลาฝังทะเลมีกำลังทางนั้นแต่สติที่ในคนในมรดย่อมมีกำลังยิ่งกว่าเล่านี้อุลตก็มีกำลังของสติมากกว่ า, าอาพิตพจัณฑ์อ่ะห้าโลกที่ว่าตัวเองบรรลุภาราน เก็บช้อยไปเลย<笑>เลยต้องไปปฏิบัติธรรมอีกต่อไปเห็นแล้วองไหก็อุ้ ย, ยเหมือนศิลาทับย้าสชัยหก่อนอ่านีอาาว่าฌานนะฌะานแต่ฌานอันเผาศพมันไม่ไม่งอกนะกระ จ, จุยไปเลยต้องเอาไปลอยอังคารฌานแน่ถ้าไม่เหนือเมฆยังไม่เมฆต้องเหนือไปพระเจ้า菩萨สิท ธ, ธ, ธาถึง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 สีมหาโผมาบำเพ็ญทางกิดมันเหลืออยู่เนี่ยอะไรก็มันเหลืออยู่เนี่ยกิดเนี่ยเอาละบบเนี่ยใบหญ้าขาจากโสดียภาพงาปูนั่งโตตายแล้วไหมตัดตึ้งใจตายเป็นตายจะไม่ลุกจะไม่หนีจากที่นี่เมื่อไม่ได้บุญธรรมท่าน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 อันนี้ไปเนี่ยงั้นกัเราทาอย่างไสูตรเนี่ยสูตรตัดทรูุนะเนี่ยไม่ใช่ของเล่นนะที่เราทํานะรสูตรแห่งการตัดทะูุนะเห็นกายมาให้เห็นโชว์ปึ๊บขึ้นมาเจตนาโชว์ขึ้นมาแต่ก่อนไม่มีจิตก็โชว์ขึ้นมาทำก็โชว์ขึ้นมาเห็นเรา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 เลี้ยมผีาตาปิตาจับไว้ดีๆสักน่อยเดียววางมันมันก็จะอยู่อันคนเป็นๆมันไม่อยู่นะบางทีมันกีอันเป็นเวลาคนตายมันไม่ไปนะอันนี้ทําได้บอกมาเถอะฮะไอ้ไนะ น, นี้ก็อยากดูแล้คนตายคนเป็นไม่ให้เราดูแลมันวิน่งหนีจากเราไปแล้ว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 นี่ไม่ต้องงอบเดินขึ้นมันไหลอย่างดีเลยกติอาจารย์ต้มทำให้อย่างดีมีมุ้งรดูดล้างกติมีน้ำอุ่นให้อาบมีห้องน้ำให้ใช่บ้านนั่นก็ยังยังไม่เหมือนสมัยข้าพเจ้านะ่ะพ้เจ้าโอ้ยสมัยนั้นเหาะอ ะ, ะหนันี่แต่คนดังนัง อ, อกบวชแต่ไม่คนดังออกบวชอุบาลี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 มีเหมือนกันนะดังแบบนั้นส่วนอนอนนว า, ารีอนุท่ายอดเยี่ยมเอตตคะเลยอนุท่าเอตตะคะในทางฌานสมวัต อ, อ, อนอนเอนเนี่เอตตะคะในทางพระหูสูตรจวารีเอตตคะในทางพระวินัยบัญญัติยอดเยี่ยมเอตต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 ที่วอนก็คนหามาให้ตลาที่อยู่คนมาสร้างให้อาหารก็มีคนไปทำใหอย่าลักษาโลกมีผู้ให้โอกาสนี่คือนักบวดเมืองไทยไ ม, ม่ประเทศไหนสะดวกเท่ากับเมืองไทยเราแต่จะไปเกิดอยจุเพนินไหนจะก็อยู่ที่โลกไหน<ม>นี่เมืองไทยนี่พุทธศาสนาเหมืองไทย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 เวลามันโกรธรู้มันมีมันมีเพื่อให้เราเปลี่ยนเป็นดีไม่ใช่มีเพื่อมันมา้อยอยู่ในความชั่วของเรามาพูดเท็จมาพูดคำหยาบมาเบียดเบียนกันเขียนข้ากันมาคิดเห็นปิจากทําน่งองธรรมมันก็อยู่ในโลกนึ่แต่ถ้าเรามาเปลี่ยนชะเนี่ยมันจะเป็นไรแบบเมื่อเป็นครามสรก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 เช่าเสดนะอุทิตตัวมุศลคุณยาจิตตานิจจกัจจะญาณายตาณิเมอุทิศไปผู้มีคนเช่นบรรดาบิดาเป็นโต้นว่าไปว่าไปสัพพสิ่งทั้งหลายมีขันหน้าขันไม่ขันนัดเดี๋ยวไม่ขันสี่ขันลำลังท่องเที่ยวไหนวกเรากอดใหญ่นอกจากนี้ก็ยังมีเมตตินไม่ฉาบี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 ันทาชจโอปอติกะเรียบบ น, นหยอต้องรู้นะไปเรียนแมไน้ไปจีบันอยู่ก็งงงงจงจิตมีพระพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วกำหนดทั้งสี่รวมั้งสามกือกรมมาภูมิรูปภูมิอรูปภพกรรมภพรูปภพอรูปภูมิทั้งสามกำหนดทั้งสี่ก็เกิดในเจ้าลาภะเกิดในเท่าไข่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 ในชีวิตเราจะทุกข์ทำไมไม่ทุกข์ก็ได้เมื่อโดยโยบอุิฐานขัดทั้งห้าเป็นตัวทุกข์มีเท่าเนี่ยรูปอุปทานในความรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอุปทานยึดตัวเนี่ยว่าเป็นตัวเป็นตนห ว, วางท่านลงมันก็ไม่มีอะไรอยากร่อนก็เป็นเย็นอยากมิจฉาทิฏฐิเป็นสามหะทิฏฐิสันติเลย นี่พวกเราอยู่นี่สอนกันอย่างนี้ศึกษาอย่างนี้ก็ไม่ต้องมาทําที่แบบเปิดมาศึกษาเรื่งนี้โดยโตรงนะการศึกษาเรื่อนี้ก็ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวเกี่ยวกับอั น, นอื่นอีกเยอะแยะเลยเราอยู่นี่ว่าจะสารเรืนี้เอา้าอะไรก็มีอีกเยอะแยบะบปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมาหนายอย่า จากสิเมตลอ้อจากอะไรต่างๆมากมายศาสนาวัตถุสาสจะพิธีสาจะบุคคลสัจธรรมนี่สาจธรรมคือเกินปฏิบัติโดยตรงสาจนพิธีคือพิธีกรรมต่างๆญาติโยมก็ทําบนดํานานย่ายมกันนี่หมนุหมนไปนั่นไปนี้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 สี่สถานตะกูนที่มันคงอยู่ได้เพราะเหตุสี่สถานหนึ่งว่ายัางไงไม่คีรู้จักซ่อมแถมพัจจุติค้ำค้าสองสแสวงหาพัจจุที่หายไปแล้วคืนมาสามแสวงหาพัจจุที่ยังไม่มีให้มีขึ้นสี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 พัตตเตียงมันมีเขาไม่มีอยู่เลยไปจนเลื่อยไปจนแลยไปต้องหามากินเป็นต้องพยายามทงานแต่หมายเป็นเด็กอะ่ะกินข้าวอิ่มแล้วแฉบว่บักละแฉบแฉบแล้ขี้ข้านเออไปเลี้ยงกล้วยไปเลี้ยงวัวกันแฉบแล้ขีข้ข้านคำพูดที่พ่อแม่ขี้เลยขยัน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 มาให้เราให้เราสงบ ก, กงหลานใหอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นมงก่อนมาดูหมอสาธุบุคคลนะนัะ่นว่าเราเป็นพระอาจะขอดูหมอดูไม่เป็นท่านบวดมาเจ็วัญหาบวดมาแล้วสิบกว่าพันสาบวดมาสิบปัญาดูหมอไม่เปลี่ยนเหรอ <c oughs> ก็ไม่ให้ค่าอะไรไปอันนี้ไปอย่างให้อะไรบอล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 ขอบริว า, าโรโบลาณวงน้ำที่เต็มยม่อมจะสมดจ้าครให้บริบนระณ์ว้าอย่างนี้ถเรามาเปลี่ยนอะไรมันหลงรูปครับมันโกธ ร, รูปมันทุกรูปรับเนี่ยตัวเนี้ยทําบุญทาบุญแล้วทำบุญในช า, ชาติถาคือทําบุญตรงนี้ที่กาที่ใจทําบุญนอกาชาติไปเาดีอื่นอจตตาธรรมภัธาธรรมภัธาธรรมท า, ท า, ทาททดีภายนอก ดอกไม้ทุกเทียนสวยงามแต่ใจตัวงมันก็จัดไม่เป็นระเบียบเลยเส้นกว้งอยู่วุ่นวายส่อัจฉริยธรรมคือทำภายในวิชาธรรมคือทำภายนอกไปจัดภายนอกอัจฉริยธรรมจัดตัวเองให้งามใจงามายงามไม่เฉินไม่ทำเลย